ในขั้นพื้นฐานสัญญาเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดต่างๆดังนั้นความรู้อีกสองประเภทคือทิฏฐิและญาณจึงต้องอาศัยสัญญาทิฏฐิเกิดจากสัญญาอย่างไรมองเห็นได้ไม่ยากเมื่อกําหนดหมายหรือหมายรู้สิ่งต่างๆอย่างไรก็ชวนให้ลงความเห็นสรุปเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและสัญญาที่กําหนดหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอย่างได้อย่างหนึ่งแล้ว แม้ใช้ได้สำเร็จประโยชน์บางอย่างในการดาเนินชีวิตแต่ก็มักกลายเป็นเครื่องกำบังปิดกัน้นไม่ให้เห็นความจริงด้านอื่นๆของสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อไม่ใคร่ครวนวิเคราะห์ให้ดีคนก็ถูกสัญญาหลอกเอาหรือปิดบังปัญญาเอาได้และชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ม่ใช่น้อยทิฏฐิที่ผิดก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาผิดบ้างใช้สัญญาไม่ถูกต้องบ้าง มีบาลีแห่งหนึ่งในกุตกรนิกายมหานิเทศกล่าวถึงทิฏฐิที่เกิดจากสัญญาว่าทิฏฐิแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดจากสัญญาถูกสัญญาจัดแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินก็ดีสิ่งที่ได้ศทราก็ดีในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นอธิบายว่าทิฏฐิซึ่งสัญญาก่อให้เกิดขึ้นกำหนดขึ้น ปรุงแต่งจัดแจงไว้เพราะเหตุที่ทิฏฐิมีสัญญาเป็นหัวหน้ามีสัญญาเป็นเจ้าการใหญ่และถือต่างกันด้วยสัญญานั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินก็ดีสิ่งที่ได้ศพบก็ดีในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอรหันตขีนาศในจุลวิยุหสูขุทักกณนิกายสุตตนิบาตมีพุทธพจน์อีกว่าสัจจะที่แน่แท้ในโลก มิใช่จะมีต่างๆมากหลายนอกจากสัญญาทำให้เห็นต่างๆกันไปญาณก็ต้องอาศัยสัญญาจึงเกิดขึ้นได้ดังบาลีในโปธปาทสูตรที่ขณิกายศีลขันธวักโปธปาทปริภาชกทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังหรือว่าญาณเกิดก่อนสัญญาเกิดทีหลัง หรือทั้งสัญญาและยานเกิดไม่ก่อนไม่หลังกันพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านี่แน่โปธปาทะสัญญาย่อมเกิดก่อนยานย่อมเกิดทีหลังและเพราะสัญญาเกิดขึ้นยานจึงเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งในมาคันธยสุตานิเทศขุตกานิกายมหานิเทศได้กล่าวถึงมาคันธยสุตอนที่มาคันธยพรามสงสัยว่า พระพุทธองค์ไม่ตรัสความบริสุทธิ์ด้วยการเห็นการฟังการรู้ทั้งศีลและรศเขาถึงกับงงงวยเพราะยังเชื่อว่าสมณพราหมณ์บางพวกย่อมถึงความหมดจดด้วยทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าท่านอาศัยทิฏฐิทั้งหลายถามอยู่เนืองๆได้ถึงความหลงไหลในทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านยึดถือแล้วและท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากธรรมนี้เพราะฉะนั้น ท่านจึงประสบแต่ความหลงท่านพระสารีบุตรขยายความพระดำรัตนี้ว่าข้อความว่าท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากนี่ไขความว่าท่านไม่ได้สัญญาในสิ่งที่เคยประกอบหรือสัญญาในสิ่งที่เคยถึงหรือสัญญาในลักษณะหรือสัญญาในเหตุหรือสัญญาในฐานะจากนี่คือจากความสงบภายในหรือจากการปฏิบัติ หรือจากธรรมเทศนาท่านจะได้ญาณจากที่ไหนบุรุษหนึ่งมองเห็นใบไม้แก่ร่วงหล่นบังเกิดวิปัสนาญาณสว่างขึ้นมองเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายญาณ น, นั้นอาศัยสัญญามากหลายเป็นเขาเช่นสัญญาเกี่ยวกับชีวิตและความทรงตัวอยู่ของสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับความแก่ความซุดโทมเกี่ยวกับการร่วงหล่นความตายความสิ้นสุด เกี่ยวกับเบื้องบนเบื้องล่างเป็นต้นปัญญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่านั้นอย่างทั่วถึงทำให้เกิดยาดังกล่าวแล้วนั้นหรือตัวอย่างเกี่ยวกับโลกิะยญยาอย่างอื่นเช่นนายนิวตันมองเห็นผลแอปเปิลตกลงม า, มง เ, กงมาเกิดความรู้สว่างแจ้งเห็นกฎแห่งความดึงดูดความรู้โพรงทั่วนั้นก็อาศัยสัญญามากหลายเป็นเขาเช่นสัญญาเกี่ยวกับการร่วงหล่น และการเข้าหากันระหว่างสิ่งต่างๆเกี่ยวกับช่องว่างเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับการดึงการเหนี่ยวการเคลื่อนที่การหลุดหนีการลอยเส้นตรงเส้นโค้งเป็นต้นปัญญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่านั้นอย่างทั่วตลอดในด้านหนึ่งทำให้เกิดความอย่างรู้นั้นขึ้นญาณก็ทำให้เกิดทิฏฐิดได้ตัวอย่างที่ชัดในคำภีเช่นพระกัพรม มียานระลึกชาติได้ตลอดการยาวนานอย่างดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมองเห็นสัตว์อื่นทั้งหลายเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่ตนเองคงอยู่อย่างเดิมตลอดจึงเกิดทิฏฐิคือยึดถือความเห็นขึ้นว่าสถานะแห่งพรมนั้นยั่งยืนคงที่มีอยู่ตลอดกาลนิรันดรพรมเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างหรืออย่างผู้เกิดความอย่างรู้ดังท่านนิวตันนั้น ครันความอย่างรู้สว่างแจ้งเกิดขึ้นแล้วต่อมาใช้ความอย่างรู้หรือญาณนั้นมองดูสภาวะทั้งหลายก็เห็นเป็นไปอย่างนั้นแต่ไม่เห็นโปร่ปรงตลอดไปทุกกรณีโดยสิ้นเชิงมีติดหรือเคลือบกลุ่มบ้างในบางจุดบางด้านความรู้นั้นก็อาจต้องถูกยึดถือไว้โดยอาการที่เรียกได้ว่าเป็นทิฏฐิทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจากการได้ญาณบางอย่างขึ้นก่อน ส่วนทิฏฐิก็เป็นเครื่องหนุนช่วยให้เกิดญาณได้เหมือนกันดังจะเห็นได้ว่าทิฏฐิไม่น้อยเป็นผลความคิดและเป็นข้อยึดถือของปราดผู้มีปัญญามากและเป็นทิฏฐิที่มีเหตุผลมากดังนั้นถ้าไม่มีความยึดติดในทิฏฐินั้นเหนียวแน่นจนเกินไปและรู้จักสดับรู้จักมองรู้จักใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะเกิดญาณซึ่งช่วยให้ก้าวหน้าต่อไป และสามารถทำลายจุดที่ยังติดตันผ่านต่อไปได้เมื่อทิฏฐิก็ดีญาณก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการกำหนดหมายหรือหมายรู้ตามทิฏฐิหรือตามญาณ น, นั้นเกิดเป็นสัญญาใหม่ขึ้นอีกทิฏฐิและญาณจึงทำให้เกิดสัญญาซึ่งเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดอื่นสืบต่อไปข้อแตกต่างกันคือทิฏฐิ มักพลอยทำให้เกิดสัญญาใหม่ที่ผิดพลาดส่วนญาณจะช่วยให้เกิดสัญญาที่ถูกต้องและแก้กสัญญาที่ผิดพลาด